ก็มาศึกษาเกี่ยวในเรื่องของสัมมาทิฏฐิต่อในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่มีความจําเป็นก็เพราะว่าเป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรรับมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้านะแล้วก็ได้กล่าวบอกกับภิกษุทั้งหลายนะ คือเกี่ยวกันในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่บอกว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่านี่คุณที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นน่ด้วยเหตุกี่ประการใช่ไหมบอกด้วยเหตุกี่ประการนะโดยปริยาอย่างไรด้วยเหตุอย่างไรที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ แล้วก็พระอริยสาวกจึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องและก็มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรครแวนมาสู่พระสัตวธรรมนี้เนี่ยโดยประโยคและความหมายเนี่ยก็หมายถึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นที่ประเสริฐและก็ดีงามเนี่ย จำเป็นก็คือเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็ละนิชฉาทิฏฐิได้ง้ถ้าในขณะที่กระแสจิตในขณะนั้นไม่มีสัมมาทิฏฐิก็พึงรู้ได้เหรอว่ามันก็คือในญาตตรงกันข้ามนั่นเองถ้าหากมีความเข้าใจในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าผิดพลาดในขณะนั้นก็ชื่อว่าความเข้าใจผิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ก็เรจเริญสัมมาทิฏฐิไม่ถูกฉะนั้นเวลาพูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องของว่าที่ท่านพระสารีบุตรถามเกี่ยวในเรื่องของคำว่า กุศลอกุศลกรรมบทแล้วก็กุศลกรรมบทนั้นเน่ยเป็นอย่างไรนะอกุศลแล้วก็รากเง้าของอกุศลกุศลและรากเง้าของกุศลนั้นเป็นอย่างไรนะโดยประเด็นความหมายที่ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วนั้นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นะมีอยู่เจประการเะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินั้นอะย่างหนึ่งฌานนสัมมาทิฏฐินั้นอะย่างหนึ่ง วิปัสนาสัมมาทิฏฐิอย่างหนึง่งมรรคสัมมาทิฏฐิอย่างหนึง่งผลสัมมาทิฏฐิอย่างหนึง่งแล้วก็ปัจจเจกสัมมาทิฏฐินั้นอย่างหนึง่งหประการนี้โทษทีฉะนั้นในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิไปมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าไปพิจารณาดูบอกว่า ก, ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องไปดูตรงไหน ต้องไปดูสหาชาตากรรมกับนานาคณิกากรรมถามว่าไปดูสหาชาตากรรมและนานาคณิกากรรมนะ่ดูอย่างไรก็ต้องดูในลักษณะบอกว่าในขณะที่อารมณ์ทั้งหลายมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นน่ ทั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของผลของบุญแล้วก็ผลของบาปถามว่าผลของบุญและผลของบาปที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นเน่ยเป็นข้อบ่องบอกถึงอะไรถ้าในขณะที่สหาชาติกรรมเกิดขึ้นคือเจตนาที่เกิดขึ้นน่ยที่เป็นกุศลหรืออกุศล ในขณะนั้นสาชาตกรรมนั้นก็ทําให้กรรมมชรูปอุตูชรูปแล้วก็โดยเฉพาะทําให้กิจตชรูปนั่นแหละเป็นไปเมื่อจิตตชรูปเป็นไปชื่อว่ากรรมมชรูปอุตูชรูปและอาหารชรูปเราก็เป็นไปด้วยฉะนั้นในขณะที่เจตนาในการที่คิดจะดยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นไปเนี่ยในขณะนั้นก็พึงรู้เถอะว่า รูปในสี่สมูทฐานนั้นก็ต้องเป็นไปตามอิริยาบถนั้นๆด้วยนี่เขาเรียกว่าสหาชาตกรรมคือเจตนาที่จะยกขาจะก้าวขาจะเดินจะขยับจะกระพริบตาอ้าปากเป็นต้นเนก็ทำให้รูปต่างๆนั้นนะเป็นไปตาม อำนาจของสหาัชาตะกรรมนั้นๆใช่ไหมแต่ลักษณะอย่างนี้นั้นเขายังไม่ได้ให้ผลในอนาคตผลของเขาเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่กำลังคิดหรือเจตนาหรือความจงใจเป็นไปเลย แต่ถ้าในกลมของนานนะคณ น, นียกกรรมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเจตนายกมือที่จะไปฆ่าสัตว์ mm hmm. ถ้าในลักษณะนี้คือเจตนาในการที่จะไปกประทําปาณาติบาศถามว่ารู้ชัดในอกุศลไหมถ้ารู้ชัดในอกุศลคือรู้บอกว่าถ้าปาณาติบาศเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะตามมาทุกพลภาพเอ่ยรูปไม่งามเอ่ยกําลังอ่อนแอเอ่ยเฉื่อยช้าไม่ว่องไวหรือเป็นบุคคลที่ขาดกลัวต่อภัยต่างๆฆ่าตัวเองตายหรือไม่ก็ ถูกคนอื่นฆ่าตายแล้วก็มีโรคภยยัยไข้เจ็บเบียดเบียนพินาศบริวารต่างๆอายุก็สั้นอย่างนี้คือกรณีที่จะยกมือไปฆ่าใครไปยิหรือว่ากรณีที่จะไปยิงใครไปทําร้ายใครเนี่ยไปปัจฉริยะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นผลของบาป ท, าทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเกิดถ้าไม่เห็นผลของบาปอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเพราะไม่เห็นตัวกรรมและไม่เห็น ผลของกรรมแต่ถ้าหากสามารถงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้เพราะปะาณาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์มีชีวิตติมรีย่คือชีวิตรูปและชีวิตนามรู้ว่าถ้าเราไปตัดรูปชีวิตตรงนี้ให้ขาดนามของเขาก็ขาดไปด้วยความคิดนึกของคนคนนั้นก็ขาดหายไปด้วยคือเขาตายนั่นแหละทำชีวิตเขาให้ตกก่วงนั้นนะ่ะเห็นผลของการกระทําทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐี รู้ว่ากรรมเป็นของใครเป็นของของเราที่เราจะได้รับแต่ถ้างดเว้นได้ละ่ะอเห็นอะไรเราจะเห็นอา น, นิสงส์ทันทีใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ทุพพลภาพรูปร่างกายงามกําลังแข็งแรงว่องไวเป็นคนที่ไม่ขาดตักลัวต่อต่างๆใครจะฆ่าใครจะดักฆ่าหรือไม่ก็ไม่ฆ่าตัวเองตายย่งนเปๆและที่สุดจริงๆก็โรคภัยแข้เจ็บก็ไม่มีก็ไม่พินาศเพราะบริวารอายุก็ยืนก็จะเห็นผลทันที นี่เราเรียกว่าเห็นผลของกรรมและเห็นกรรมและผลของกรรมถ้าในกลุ่มของอาทินนาทานเกิดขึ้นมาจะเป็นยังไงกรณีที่ทรัพย์ของใครก็จงเป็นของคนนั้นเถิด เ, เคยมองเห็นทรัพย์ของคนอื่นแล้วชนนี้ต้อเห็นผลกําไรอย่างนั้นไหมถ้าหาเป็นหน้าการค้า ถ้ายอมสมานเพราะบอกจะทําการค้านี่เห็นทันทีวัตถุชิ้นนี้จะได้กําไรหรือขาดทุนถ้าขายตอนนี้ได้กําไรหรือขาดทุนทําไมถึงเห็นได้ฉะนั้นในกลุ่มของผู้ศึกษาธรรมะดีเนี่ยต้องเห็นใช่ไหมต้องเห็นเห็นทรัพย์ของบุคคลอื่นก็เห็นอะไรเห็นความด้อยทรัพย์เห็นความอดอยากเห็นความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเห็นความพินาศในการค้าขาย เห็นทรัพย์สินของตนเองต้องพิบัติไปเพราะอุทกภัยวาตภัยราชภัยอาคีภัยโจระภัยต่างๆเหล่าแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคล้ายๆว่าถ้าเราหยิบของสิ่งนี้มาโดยเจตนาโดยไถ่ยจิตเนี่ยในการคิดที่จะขโมยนะมันเห็นนันดีถ้าเห็นผลของบาปขนาดนี้เขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิในกลุ่มของอทินาทานดีมากแต่ตามไม่เห็นเลยตัวใครก็ตัวใครนะไปรับเน่ที่มันก็พร้อมที่จะกระทำต้องสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงๆ จึงจะสามารถที่ถ้าหากไม่รักไ ม, ไม่กระทําผิดในข้อของกรรมบทในข้อนี้ก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติทันทีเห็นถึงว่ากลุ่มบุคคลที่เขาจเจริญ ง, งอกงามทมาํามาค้าขายต่างต่างเขาเจรินรุ่งเรืองมาลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าในกลุ่มข้อนี้บัดดีหรือถ้าในกลุ่มของกาเมศุมิชัดยานและในกลุ่มของ ในข้อประพฤติพมจรรันทร์เห็นผลทันทีถ้าหากเราสามารถเห็นบุคคลอื่นใช่ไหมที่ตรงกันข้ามเเขาเรียกว่าบุตรของใคร บุตรของใครหรือว่าภรรยาของใครเนี่ยพอเห็นแล้วขึ้นมาในความรู้สึกว่าเจะต้องมีคนเกลียดชังมากนะมีคนปองร้ายมากนะแล้วก็จะขัดสนซัพย์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคนจนเป็นหญิงเป็นกระเทยเป็นชายในตระกูลต่ำก็จะได้รับความอับอายเป็นอาจินร่างกายก็ไม่สมประกอบแล้วก็มากไปด้วยความวิตกกังวล ในที่สุดจริงๆจะกลายเป็นบุคคลที่พลัดพรากจากของรักมันจะเห็นทันทีถ้าล่วงละเมิดตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นทันทีนี่ในกลุ่มของบุคคลที่เขากรรมสกตาสัมมาทิฐิในข้อนี้ดีแต่ถ้าเขาสามารถทําได้เขาเห็นผลกําไรของผลของกุศลกรรมเกิดขึ้นเลยเขาก็จะเห็นในในเพศในภาวะ ต, ตรงกันข้ามคนก็จะรักเขามากไม่มีคนปองร้ายก็ไม่ขัดสนโดยสรุปตอนท้ายก็คือว่าเป็นคนที่ไม่แตกแยก แล้วก็ไม่พลาดพลาดจากของรักเคยสังเกตไหมมีของรักก็มักจะหายนีย่อันนี้ก็คือในกลุ่มข้อนี้ไม่ค่อยดีทีนี้ท่านให้ในเกี่ยวในเรื่องของมูสาวาสแหะตรงนี้มาสรุปในเรื่องของกรรมสกตานีในเรื่องของไอ้กรรมบทนีถ้าหากจะพูดเท็จในสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าจะเท็จออกไปเนี่ยนะเห็นปัจจุบันในชาตินี้ชัดเจนเลยเห็นคนที่พูดไม่ชัดก็เข้าใจแล้วหมายถึงทํากรรมอะไรมาใช่ไหมคนติดอ่างคนพูดไม่ชัดเนี่ย หรือมีฟันฟันก็ไม่ราบเรียบเผลอเผลอเราด้วยหรือเปล่าอะไเนี่ยเนี่ยก็เห็นทันทีแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ากลิ่นปากก็จะแรงมากในกลุ่ ม, ม น, นี้แล้วก็กายก็มีไอร้อนแล้วก็ตัวก็อยู่ในระดับที่ไม่ปกติแล้วก็วาจากับปลิ้นแล้วก็ปลายลิ้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้ น, นเวลาเช่นนั้นก็คือลิ้นจะใหญ่เวลาพูดก็ไม่ค่อยชัดนี้แล้วก็จะเห็นกรรมทันทีว่าทําอะไรก็ท่าทางก็ไม่สงา่าและอย่างหนึ่งก็คือว่ามักจะฟันเฟือน ลักษณะอย่างนั้นแล้วก็รู้อนีเนี่ยเห็นไหมว่าเขาเรียกว่าถ้าจะทํากรรมกรรมนี้พูดเท็จก็เห็นผลของการพูดเท็จแต่ถ้าพูดตรงกันข้ามที่เป็นสัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยเราก็จะเห็นอานิสงส์ของการไม่พูดเท็จถ้าในกลุ่มของการพูดส่อเสียดให้สังเกตดูไหมว่าในกลุ่มของปิสุนาวาจาเนี่ยวาจาที่พูดส่อเสียดทําให้คนแตกแยกกันเนี่ยไม่ได้พูดให้คนสมัครสมหาน ส, สามะคีกันเนี่ย ก็เลยก็ตำหนิตนเองทําอะไรก็ต้องตําหนิตนเองอยู่ล่ามไปคือทําผิดอยู่เลยทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องเดิมๆก็เดี๋ยวก็ตําหนิตัวเองอยู่นั่นแหละเคยเป็นบ่อยไหมบอกเฮ้ยเราเป็นไงวะไงตำหนิตนเองอยู่เรื่อยเนี่ยก็เห็นโทษเต็มที่เลยและอย่างก็คือว่าถูกบัณฑิตตําหนิจะถูกเขาตําหนิบ่อยโดยมากก็จะพูดผิดพลาดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอัตยาศัยที่สั่งสมมาแล้วก็มีข่าวลือมีความไม่จริงของตอนแพร่หลายไป ทำดีขนาดไหนก็โดนแพร่ข่าวที่ไม่ดีออกไปเรื่อยนะก็ให้รู้เลยนี่โทษและอย่างนึงก็คือแตกจากมิตราหาออันนี้เราก็อถ้ากลุ่มของพูดคำหยาบเลยพวกพรุทสวาสเลยโทษเป็นยังไงพินาศในทรัพย์ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจจะนั่งฟังธรรมะเดี๋ยวก็มีอะไรรบกวนอยู่เลยก็อย่าไปแปลกใจนะเคยพูดคำเนี้ยกรรมเหล่านี้มันส่งผลนั่นเองและอย่างก็คือมีกายวาจาก็หยาบแล้วก็ เขาบว่าถ้าตายก็ตายด้วยการงงงวยทีนี้ถ้ากลุ่มของสัมผัสพราปะในกลุ่มของพูดเพ่อเจ้อเป็นยังไงเขาบอกเป็นอัธรรมวาทีบุคคลเข้าใจคําว่าอธรรมวาทีบุคคลไหมพูดไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมพูดไม่ถูกกาลเทศะเพราะอัตฉิยาศัยที่สั่งสมมาะเห็นชัดเลยใช่ไหมคือจะพูดได้ ทุกเรื่องทุกเวลาไม่รู้จักกาละเทศะไม่มีคนเลื่อมใสในคาพูดของตนพูดมากก็จริงแต่ไม่ค่อยมีคนเชื่อแล้วก็ไม่มีอำนาจจิตก็จะฟั่นเปือนนี่อันนี้คือในกลุ่มของสัมผัสพลาปะทีนี้ถ้าไปดูในกลุ่มทั้งมโนทุจริตบ้างอะถ้าคิดทั้งด้านจิตใจอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นอภิชาเนี่ยโลภอยากได้ของเขาเนี่ย โทษจะมาอย่างไงเอาแค่บอกเพราะการโลภที่จะอยากได้พันธะของบุคคลอื่นมาเป็นของของตนใช่ไหมนึกว่าไม่น่าจะเป็นของเราทาไมเป็นของบุคคลอื่นเนี่ยซึ่งในอดีตรเราเคยโลภ ก, กันมาทั้งนั้นเลาหมยยังไม่ได้เรียนพระธรรมนี่เชื่อ ว, ว่าหลายคนเคยโลภ ก, กันมาทั้งนั้นทีนี้ถามว่าถ้าโลภแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าคบกรรมอวบนะ ครบกรรมบวไปอบายได้ น, นี้อย่าลืมเนี่ยเอาหลังจากในประวัติการไม่ขึ้นอบายแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเป็น กลุ่มของเกี่ยที่จะได้รับวิบากเนี่ยคิดเนี่ยถามว่าคิดนั้นเป็นคิดแบบเวลาคนเราจะตายเนี่ยนะในขณะที่จะตายเนี่ยความคิดความคิดไม่ดีเนี่ยทำให้ไปไม่ดีได้ไหมแล้วทำไมถึงไปได้เหียแปลกนะว่าในขณะที่เราคิดเราเห็นวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่อยากได้ใครครวญเจตที่ผูกในพันธะของบุคคลอื่ น, เ, นเป็นอภิชา ให้ผลในประวัติการ4ี่ประการนะียคือเสื่อมจากทรัพย์ที่อยู่แล้วก็ปฏิสนธิในตระกูลต่ําได้ไปเกิดก็เกิดในตระกูลต่ําคือเขาจะเห็นผลทันทีนะเอ๊ะถ้าเราโลภเขาเนี่ยนะคนที่มีสัมมาทิฏฐิในระดับกรรมสกทากสัมมาทิฏฐินี่นะถ้าข้าพเจ้าโลภในทันทะในวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นข้าพเจ้าก็จะต้องมีทรัพย์แล้วก็จะเสื่อมจากทรัพย์ได้เร็วหรือถ้าไปปฏิสนธิคือไปเกิดก็เกิดในตระกูลต่ําเป็นตระกูลที่ไม่มีอํานาจวาสนาอะไรหรือ หรือมักได้รับคำติเตียนเนี่ยและที่หนักตามมาก็คือจะขัดสนในลาบส ก, กาละหวังอะไรไม่เคยได้เพราะคิดอยากได้ของคนอื่นไปเยอะดูถึงขนาดคิดนั่นนะบางทีมโนกรร ม, นมนรเนี่นโหดร้ายยิ่งนะนี่เป็นอุศ ร, รกรรมนะเคยพิจารณาเคยเห็นขนาดนั้นัหยบอกเอ๊มันอยากได้สิ่งนี้พวกเนี่ยแล้วเกิดเป็นอภิชานะ หมายความว่าครบกรรมบกนีจิตที่คิดอยากได้ด้วยไข้ ค, ควรสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นของตนด้วยนะยังไม่ถึงขนาดลงมือไปลักเนี่ยเป็นแล้วเนะีเป็นอภิชาทีนี้ถ้าพยาบาทละ่ะให้ผลในประวัติการเหมือนกันในกลุ่มของบุคคลที่พยาบาทนรืโกรธมากๆนี่จะเป็นคนที่รูปไม่งามอายุสั้นโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนและที่สุดจริงๆจะตายด้วยการถูกประทุษร้ายเนะพราะมันไปบวกกันกันกบปานาดิบาสด้วยนะอย่าลืมนะ แต่ถ้าไม่ได้ถึงข น, นาดไปทำปานาธิบาเคยแค้นเคืองใครไหมแค้นเคืองอย่างเช่นนี้ที่ว่าเอามาตำหนิติฉิมนินทาเลยไม่น่ารุนแรงขนาด น, นั้นนะที่ร้ายแรงสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิ น่ากลัวมากมิจฉาทิฏฐิเพราะตรงข้าม ก, กันกับสัมมาทิฏฐิฉะนั้นแต่กรรมราฏตาสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมได้ถูกต้องและที่สุดจริงๆไปจนถึงมรรคสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องบริบูรณ์เนี่ยจะสมบูรณ์เนี่ยแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิผลของเขาก็คือว่าห่างไกลต่อรัศมีของพระธรรมคือธรรมะของพพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้ประกาศอยู่เฉพาะหน้าคนคนนั้นก็คิดไม่เห็น เพราะเขามีอะไรเป็นเครื่องกาันอยู่ มีมิจฉาทิฐิของตอนเองนั่นแหละเป็นเครื่องกัน้นเหมือนกับใครที่ว่าเขาจุดไฟใช่ไหมจุดไฟไว้ใกล้ๆเลยแต่มีกำแพงหนากั้นไว้หมดเลยเขามองไม่เห็นรัทธิมีของแสงไฟนั่นเล ย, เยดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็มีหิ่งห้อยเยอะตัวบิ น, บนพยายามจะประกายส่องแสงตนเองเแสงไม่มีแล้วก็มีปัญญาสามกับปฏิสนติเป็นคนป่าที่ไม่รู้จักอะไรถ้าเราไปพิจารณาเห็นคนป่าที่ไม่ค่อยรู้จักเรื่องจากราวอะไรนั้นก็ให้นึกเลย เนี่คือกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิและไกลจ า, ากพระธรรมเป็นคนที่มีฐานะไม่เทียมคนอื่นเขา นั่นก็ไปพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่คือในกลุ่มของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันนี้มาสรุปนะที่นี้พอมาพูดถึงในเรื่องของอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสูงไปกว่านั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแท้จริงฌานสัมมาทิฏฐินะก่อนคือสัมมาทิฏฐิในฌานทั้งหลายมีปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นส่วนวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั้นคือปัญญาที่ไปพิจารณาสัมมาทิฏฐิที่ไปพิจารณาเห็นรูปนามด้วยความ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทีนี้ในกลุ่มนี้คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิในมรรคสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ในรียสัตว ตามความเป็นจริงแล้วก็ละกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยทำนี้โลดให้แจ้งแล้วก็อริยมรรคบริบูรณ์ตัดกิเลสได้เป็นสมุทเฉทะปะหานนี่เป็นอย่างไงส่วนผลลสัมมาทิฐินั้นเป็นผลที่ได้จากการปะหานกิเลสปัจเจกสัมมาทิฐิก็คือตัวปัจเจกที่ไปพิจารณาจากกิเลสที่ละได้และกิเลสที่เหลือเป็นต้นแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ถ้าไปดูตรงที่คาถาว่าในเรื่องของอาหารก่อนจะถึงนั้นน่ะ ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นเน่นะันได้ฟังเทศนาของภาษาริบุตรแล้วเนี่ยก็เลยถามถามภาษาริบุตรว่าในมุก ค, คือในกุศลอกุศลอย่างนี้แล้วจึงพากันชื่นชมพาสิตของท่านภาษาริบุตรเทระเน่ด้วยทอดคำว่า ด, ดีแล้วครับแต่เท้าและก็อนุโมทนาด้วยจิตที่สัมปยุทธหรือทามีศรัทธาเป็นสมูฐานและก็สามารถที่จะเปล่งวาจาออกมาด้วยความปรีติด้วยความปาโมด เพราะเหตุที่พระเถระเป็นผู้สามารถแสดงธรรมเทศนาในอริยสัจสีได้ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระสารีบุตรสามารถจะบอกแสดงอริยสัจได้โดยพิสดารเขาบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านสั่งสมบารมีมามากสามารถที่จะกล่าวคำสอนเนี่ยโดยพิสดานในอริยสัจสีได้ ถามว่าภาษาริบุตนั้นนะ่ะสามารถแสดงธรรมได้ขนาดไหนสามารถที่จะแสดงธรรมได้ตามอัธยาศัยทุกอัธยาศัยทุกอัธยาศัยหมายความว่าอย่างไงคือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยภาษาริบุตรสามารถที่จะแสดงอัธยาศัยได้หมดเลยสามารถที่จะให้บรรลุได้ทั้งหมดด้วยซ้ำไป แต่เพราะอะไรจึงไม่แสดงไม่ได้เพราะภาษาราบุตรไม่รู้อัธยาศัยคือไม่ทราบอัธยาศัยแต่ถ้าหากว่าทราบอัธยาศัยภาษาราบุตรแสดงได้และท่านผู้นั้นบรรลุเลยเพราะภาษาราบุตรไม่มีอา ศ, าศ ย, ายานุสยะญาณยี่ไหยญาณที่รู้อาศัยและอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเนื้อรู้อนุสัยแล้วก็รู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเช่นถ้ารู้ว่า คนคนนี้มีโลภะเป็นอัธยาศัยมีโทสะเป็นอัธยาศัยมีโมหะเป็นอัธยาศัยมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอัธยาศัยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะรู้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าท่านผู้นี้แสดงธรรมธรรม คำสอนอย่างนี้ไปแล้วเมื่อฟังแล้วจะได้บรรลุแล้วได้รู้แจ้งได้หรือเพื่อจะฟังเป็นอัธยาศัยที่จะไปบรรลุในชาติอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าจะมีอัธยาศัยเหล่านี้หมดเลยแต่ภาษาลิบุตรไม่ทราบแต่ถ้าภาษาลิบบททราบพระภาษาลิบบทแสดงได้หมดเลยเขาเรียกสแสดงได้โดยพิสดารแม้จะพูดไปพวกเราอาจจะตะลึงนะว่าทําไมขนาดนั้นเขาบอกว่าทรายในมหาสมุทรยังพอจะคํานวณได้เมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยยังอาจจะคํานวณได้แต่ปัญญาของภาษาลิบบทเนี่ยคำนวณ มมเมล็ดผลที่ตกมาในห้องจั ก, กรวาลนี่ยังพอที่จะคำนวณได้แต่ปัญญาของท่านภาษาลิบุตรนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณได้ถ้าอยากจะรู้ว่ามากขนาดนั้นจริงๆไปดูในไหนไปดูในปฏิสัมพิธามากไปดูในจุลนิเทศไปดูในมหานิเทศน่เราไปดู เป็นต้นนะดูในสังคีติสูตรนั่นแหละคือปัญญาของภาษาลิบุตรมากจริงๆทําไมมากขนาดนั้นต้องโดยเหตุของท่านเยอะไหมไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมากนลยยอมสมานไม่ใช่เงินอยู่ดีๆจบมหาเอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้กว่าจะจบนโอวยงหน้าดูกว่าจะเข้าใจสักเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมอย่างเพี้ยง่ายไม่ใช่ง่ายเลยะกว่าจะเข้าใจกว่าจะตั้งอัธยาศัยอะไรได้ตรงสักเรื่องเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่นั้นน่นข้าท่านสร้างมาด้วยความเพียรที่ ถูกต้องสัมบโยคะยคที่ถูกต้องฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญภาษาราบุตรนั้นแสดงอริยสัจได้วิจิตพิสดารหรือเพราะเหตุที่ท่านภาษาฤาบุตรนั้นน่ยต้องการจะแสดงทำให้สูงขึ้นไปอยู่แล้วจึงได้กล่าวเอตาวตาปีโค อ, อาวุโสอินต้นคือต้องการจะแสดงหรือหรือภิกษุเหล่านั้นต้องการที่จะถามปัญหาให้สูงขึ้นไปนะีท่านภาษาราบุตรเนี่ยภิกษุเหล่านั้นจึงได้ถามปัญหาที่สูงขึ้นไปว่าใต้เท้าครับพระใน ยุก่อนเวลาเขาสนทนากันในในสูตรสูตรนี้ท่านสนทนากันว่าเวลาพระเถระกับพระที่อายุพรรษาน้อยกว่าที่ครูอาจารย์เขา mm. เขาเขาเรียกกันเขาเรียกใช้คําว่าบาษาในในศัพท์ในที่นี้ก็แปลว่าเตะเท้าถ้าหากว่าภาษาริบุตรเรียกปิกษ์สูตรตงหลายก็เรียกว่าคุณหน่ถ้าพระพุทธเจ้าก็ดูก่อนปิกษ์สูตรตงหลายนี่เป็นบอกว่ายังมีอยู่อีกหรือบรรยายแม้อย่างอื่น ปรยายแม้อย่างอื่นก็ได้บรรยายแม้อย่างอื่นคือเหตุแม้อย่างอื่นที่เหนือที่เหนือกว่าปัญหาที่ใต้เท้าได้ถามเองแล้วก็ตอบเองมาแล้วถามว่าที่ได้ถามในเรื่องของกุศลกรรมอกุศลกรรมมาเนี่ยนะ กรรมบทกุศลกรรมาบทอกุศลกรรมบทแล้วก็มูลอกุศลและมูลแล้วก็กุศลลมูลเนี่ยผาปัญหาที่สูงไปกว่า น, นี้เนี่ยมีไมเนี่ยที่เหนือไปกว่า น, นี้ปัญหาที่สูงไปกว่า น, นี้อีกอย่างหนึ่งมีคำอธิบายภิกษุเหล่านั้นได้พากันถามในส่วนที่เหนือปัญหานั้นก่อนไปอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ถามปัญหาข้อแรกให้สูงขึ้นไปภาษารีบทก็บอกว่า สี่ยาอุโสกยังมีอีกยังมีอยู่นะว่าปัญหาที่จะสามารถทําความเข้าใจถ้าพูดอย่างนี้พูดถึงในเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นไปให้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยยังมีอยู่ประตูที่จะสามารถทําให้จำแนกอริยสัจสีเข้าใจในอริยสัจสีแล้วก็บรรลุพระนิพพานได้แล้วก็มีความเห็นมีความเลื่อมใสอย่างมั่นคงเข้ามาสู่พระสัตวธรรมนี้เนี่ยยังมีอยู่ต้องไปพิจารณาคำคำนี้คาที่บอกว่าอริยสาวก จึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนี่คืออะไรคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องกับความเห็นตรงก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนเออาว่าพิจารณาถึงกลุ่มของพวกเราเนี่ยลองพิจารณาดูทีว่าพวกเราเนี่ยเลื่อมใสมั่นคงในพระสัตธรรมเนี่ยคลอนแคลนอยู่หรือเปล่ายังคลอนแคลนอยู่หรือเปล่าถ้ายังคลอนแคลนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็เรียกมันยังไม่คลอนแคลนใช่ไหมเออมันยังไม่มั่นคงเหตุที่ไม่มั่นคงเพราะอะไรรู้ไหเพราะว่าศีลและทิฏฐิไม่ตรงเนี่ยเลยไม่ได้เป็น เบื้องต้นต้นของมารคภูามาิยันถ้าศีลและทิฏฐิที่ตรงแปลว่าดังเหมือนที่เจดบอกว่ามองเห็นสัตว์สังขารทั้งหลายกุศลศีลเกิดมองเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นกุศลแลศีลเกิดมองเห็นบุตรภรรยาของบุคคลอื่นกุศลศีลเกิดมองเห็นเกี่ยวกันในเรื่องของที่จะกล่าวเทศเจ้ผู้ส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจริเป็นต้นกุศลศีลเกิด ท, ท, ทั้งีคือตัวกุศลศีลจะเกิดทุกทุกขณะเพราะในขณะที่จิตฟุ้งซ่านตอนนั้นจิตเป็นบาปหรือเป็นบุญ ตอนนั้นกุศลศีลเกิดไหมฉะนั้นศีลไม่ใช่เกิดเพียงแค่สมาทานฉะ น, นั้นย่อมสมา ถ, ถ้าเกิดแค่นั้นล่ะยุ่งเลยถามการค้าสมมติขายชิ้นเดียวได้กาําไรนอกนั้นขาดทุนหมดสมควรจะอยู่ในโลกนี้ได้ไหมไม่สมควรที่จะอยู่ได้เลยฉนยันใดถ้ากุศลศีลไม่เกิดบ่อยๆแล้วถามว่ากุศลทําไมไม่เกิด สัมมาทิฏฐิไม่มา ค, คอยประคับประคองกุศลศีลหากสะบ้านวันกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิไม yes'> ่ดีเคยตรึกพิจารณาเห็นในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถเจริญกุศลศีลได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ได้ในความที่ศรัทธานั้นจะให้ตั้งมั่นไม่คลอนแขนเป็นไปไม่ได้ที่สุดจริงๆก็คลอนแขนคลอนแขนในลายคลอนแขนก็คือว่าประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแขนได้มาสู่ พระสัตธรรมนี้ได้มาสู่อะไรได้มาสู่โลกุตละธรรมเก้านี้เหมือนกับคําว่าทำมานุธร์มาปฏิบัติประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนี้ประพฤติธรรมน้อยคล้อยตามคล้อยตามโลกุตละธรรมประพฤติธรรมน้อยคล้อยตามโุตริปักเทียธรรมอันในขณะที่เราศึกษาเราเรียนพระธรรมกันเนีเพื่อจะคล้อยตามอะไรคล้อยตามสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสีใช่ไหมเพื่อจะคล้อยตามไปใช่ไหมถ้าไม่คล้อยตามอย่างนั้นแต่เราคล้อยออกเลย ท่องหนังสือเรื่อยแต่จิตมันห่างออกห่างออกจากสัตธรรมเนี่ยพระธรรมก็หายไปเรื่อยมีแต่ความเสื่องซึมท้อถอยหดหูฟุง้งซ่านเสร็จเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศละธรรมไม่เดินไปข้างหน้าลแต่อย่างนั้น เตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้แล้วบอกว่าโไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเอาเป็นงั้นจริงนะโอ้ต้องตั้งมั่นให้ดีตรงเนี้ยตรงนี้ ต, นต้งบอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกไหมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยบอกว่าเหตุกี่ประการยังไม่ประเด็นแรกที่ถามแล้วยังมีเหตุอื่นอีกไหมที่จะเป็นปัจจัยเกิดให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสประกอบด้วยปีติปลาโมดแล้วก็ไม่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนเข้าไปสู่พระธรรมศาสตร์ธรรมนี้เข้าไปสู่โลกุตลักษ 9มรกสีผล4ี่นิพานหนึ่งยังมีเหตุอื่นอีกไหมนอกจากการพิจารณาสายของกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเนี่ยพระสารีบุตรบอกว่ามีถ้าในกลุ่มของผู้ที่ศึกษาพระธรรมดีก็คือว่าระวังตนเองเรื่องอะไรรู้ไหมอ้ทำยังไงนะตนเองจะไม่ตกจากศาสนาเพราะศาสนาก็คือโลกุตระนี่เวลาเราเห็นสัตว์ติลฉานทั้งหลายเนี่ยเราคิดยังไง ลมเหล่านี้ตกจากศาสนาแล้วหรือยังเขาตกจากศาสนาแล้วเขาไม่มีการสมาทานศีลลักเจริญฟังพระธรรมแล้ว นั้นคือกลุ่มที่ไม่คลอนแคลนกลุ่มที่ศรัทธาคลอนแคลนจะลงอย่างนั้นไม่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่พไม่พร้อมด้วยความเลื่อมใสไม่เข้าไปสู่พระสัทธรรมคือโลกุตตระธรรมก็จะตกลงไปอย่างนั้นตีเห็นก็คานวณได้เลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราตรึกหรือพิจารณาให้ถูกอย่างนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออเนี่ยถ้าเรายังมีศรัทธาไม่ตั้งมั่นยังคลอนแคลนยังประกอบไปด้วยความวันไหวไม่มีปรีติปามโมทในการที่จะเจริญกุศลธรรม จริงๆขึ้นไปแปลว่าเรานั้นประกาศตนเองว่าเรานั้นจะตกจากศาสนาจะตกจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาสูงสุดจริงๆเป็นชื่อของอริยามรรคนึ่งภาษาริบุตรก็เลยบอกว่าพระเถระเมื่อจะพยากรปัญหาให้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าศียาอวุโสยังมีอีกคูนยังมีอีกคูนคือยังมีอบอกยังมีอีกยังมีอีกภาษาริบุตรที่บอกยังมีกขถามบอกว่า แล้วก็ได้กล่าวคำว่าคุณเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดใช่ไมอริยาสาวกในที่นั้นคือสาวกของพทธเจ้าที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารเหตุเพียงเท่านี้แหละคูณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่มใสในธรรมไม่คลอนแคลน มาสู่พระศัทธรรมนี้รู้ชัดอาหารรู้ชัดเหตุเกิดของอาหารรู้ชัดความดับของอาหารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารรู้สี่อย่างเนี้ยตั้งมั่นไม่คลอนแคลนได้ไอ้ยังพวกเรารู้ชัดอาหารหรือยังรู้ชัดเหตุเกิดของอาหารไหมรู้ชัดความดับของอาหารไหมรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารไหมยังไม่รู้อะไรอยต่อมาก็คือว่าอย่างนี้ท่านกล่าวแบบนี้ท่านเรียกกล่าวโดยย่อเนี่ย ในกลุ่มของบุคคลที่เป็นอุคติตันยูเนี่ยกล่าวแค่นี้บรรลุแล้วนะเนี่ยถ้าประเภทที่วิปปิตันยูหรือเนยยะเนี่ต้องฟังตรงไหนต้องถามบอกว่าอาหารคืออะไรเล้วคุณยังไงภาษารีบุตรถามเองตอบเอง เ, เหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารคืออะไรคุณอาหารมีสอย่างสี่อย่างคืออะไรบอกงั้น เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วดำรงชีพอยู่ได้หรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่กําลังสแสวงหาที่เกิดอาหาร4อย่างน่ะคืออะไรคือถ้าไปพิจรารณาตรงนี้จะเห็นบอกว่าพวกเรานี้ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมเราอยู่ในมนุษย์ก็อยู่จํานวนหนึ่งใน3 1มภูมินี่เขาเรียกว่าสัตว์ใน31ภูมิเราก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในอาหาร4อย่างเพื่อใหสัตว์ทั้งหลาย hmm เกิดอยู่แล้วดํารงชีพอยู่ได้เมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเกิดอยู่แล จะสามารถดำรงชีพอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาหารเป็นตัวอนุเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่กําลังสแสวงหาที่เกิดเนี่ยกำลังจะสแสวงหาพบสแสวงหาที่เกิดสแสวงหาขันเนี่ยนะสแสวงหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสแสวงหาอายตนาสแสวงหาท่าทั้งหลายลนี่แหละเนี่ยเถ้าไม่มีอาหารนี่อยู่ไม่ได้แล้วที่คำถามว่าอาหาร4ี่อย่างคืออะไรบอก กล่าวลิงกลาหาอาหารเป็นคำคำอยาบหรื่อละเอียดนั้นอย่างหนึ่งภาษาอาหารอาหารคือภาษะมโนจัสังเจตนาอาหารอาหารคือมโนคือคือสัญเจตนาคือตัวกร่มวิญญาณอาหารอาหารคือตัววิญญาณนี้แหละคืออาหารสี่และวเหตุเกิดของอาหารน่ะคืออะไรเพราะตัณหาเกิดอาหารยังเกิดเพราะตัณหาดับอาหารจึงดับ ในสูตรนี้ในที่เนี้ยท่านกล่าวถึงตันหาเป็นเหตุเกิดของอาหารไม่ว่าจะเป็นกามตัญหาภะวตันหาหรือวิภวะตันหาสภาพของตัญหาเหล่านี้เป็นเหตุเกิดของอาหาร แต่ที่จริงอวิชชาเป็นเหตุของอาหารอาวิชชาก็เป็นเหตุของอาหารอาวิชชาเกิดอาหารเกิดอวิชชาดับอาหารก็ดับกรรมเป็นต้นยังเป็นเลยถามบอกว่าอริยมรคมีองค์8นั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับอาหารอริยมรคมีองค์แคืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาสังกัมมัฏฐะความการงานถูกต้องหรือการงานชอบสัมมาวาจการเจราจาถูกต้องการเจรจาชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพ ถูกต้องสัมมาวายามะความพยายามถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องคุณเมื่อใดแลเร้ยกสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดอาหารความดับของอาหารข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นเถอจร ะ, ะราคะนุสัยเสียได้ถ้ารู้แลเจ ะ, ละราคะนุสียได้บรรเทาปฏิคานุสัยได้ถอนทิฏฐา มานะว่าเรามีได้ละอวิชาได้โดยปริยายโดยประกาและทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันทีเดียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสแล้วก็เข้ามาสู่พระสัตธรรมนี้เนี่ยแล้วต่อไปไปดูในภาคของอัตถกถาที่ท่านขยายนียในส่วนของอัตถกถาที่ท่านขยายคําว่าอาหารนี่แปลว่าอะไร ได้แก่ปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยนําผลมาให้ตนเหมือนกันนะี่ยว่าอาหารเนี่ยนะฉะนั้นปัจจัยนั้นจึงเรียกว่าอาหารทีนี้เราสัตว์ที่ถือกําเนิดมาแล้วเนะ่ยชื่อว่าพูดออเนี้ยเขาแยกศับเนะีสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยเรียกว่าภูตะหรือเรียกว่าพูดในคําทั้งหลายมีอ า, อาทิที่ว่าคําว่าภูตานังวาสตานังเนเหาสัตว์ที่ส่อแสวงหาส่อแสวงห า, งหาอะไรแสวงหาพบแสวงหาการเกิด ได้แก่การบังเกิดขึ้นกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่าสัมภเวสีนี่คือสัมภเวสีนีทีนี้ในบรรดากำเนิดฉี่กำเนิดสีอย่างไล่ดูที่สังเสธชากำเนิดอันธาชาโอปปาติกะคาพเศยาการลักษณะของกำเนิดสี่ชนิดเนี่ยเราสัตว์ที่เกิดในฟองและที่เกิดในหยดน้ำตราบใดที่ยังไม่ทาลายกระปาะฟองหรือหลังมดลูกออกมา กราบนั้นชื่อว่าสัมพเวสีอย่าไปติดคำนั้นเิี่รข้อกับสัมภเวสีก็ มีตั้งหลายนัยยะนี่กําลังขยายให้ละเอียดไงเพราะว่าสัมภเวสีเนี่ยอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงสัตว์ที่กําลังสแสวงหาที่เกิดทําไมถึงสแสวงหาที่เกิดก็เพราะยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ทีนี้ถ้าในที่เนี้หมายความว่าในอยู่ในกระเป๋ะไข่อยู่ก็ เ, เห็นกลุ่มพวกจระเข้พวกงูใช่ไหมที่อยู่ในไข่แต่ยังไม่ทําลายไข่ออกมาอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีคือยังไม่ทําลายยังไม่ได้เจาะฟองไข่ออกมา หรือถ้าอยู่ในรังมดลูกยังไม่ทําลายรังมดลูกออกมาก็คือเรียกว่าสัมภเวสีใช่ปฏิสนธิแล้วแต่ไปอยู่ในไข่เกิดแล้วเหมือนถ้าเตา่าจระเข้เนี่ยเขาก็เอาไข่ของเขาไปวางไว้เรียบร้อยแล้วงูทั้งหลายเนี่ยถามว่าในนั้นนะมีตัวอยู่ใช่ไหมมีตัวอยู่แล้วแต่ยังไม่ทําลายกระปาะงฟองออกมาหรือถ้าอยู่ในมดลูกแล้วยังไม่ทําลายมดลูกออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมภเวสีแต่ถ้าหากว่าออกมาภายนอกสามารถเจาะ ไข่ออกมาได้ทําลายลังมดลูกออกมาได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพูดบางทีมีสัตว์น้ําบางชนิดนะมันอยู่ในฟองเนี่ยปอมน้ำมันอยู่ในฟองเนี่ยแต่ต่อมามันก็เจาะ อ, ออกมาได้ไหเจาะไหมเจาะลังมันออกมาได้เนะี่ยแล้วก็โผล่มาเป็นตัวเลไรอยาเงี้ยต่ก่อนยังอยู่ยังเป็นหนอนอยู่เลยเนี่ยต่อมาค่อยๆ อ, ยอย่เงี้ยโผล่หัวออกมาแล้วก็บินออกไปได้เงี้ยเป็นต้นเป็นพูดแล้ว ห, หมายว่าสัมโพวสีกับพูดในยะนี้ให้เข้าใจให้ถูกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฐิที่ถูกต้องว่นะพื้นฐานนะยังไม่ออกกลังวัดลูกใช่ไหมอันน่้นใช่ใชสัมพเพวสีนั้นในยะหนึ่งส่วนอีกในยะหนึ่งนะส่วนสัตว์ที่เกิดแต่ในเท่าใครและผุดเกิดในขณะเห่งจิตดวงแรกชื่อว่าสัมพเพวสีถ้ากลุ่มสัตว์ที่เกิดในเท่าไครหรือประเภทโอปปาติกะที่ผุดเกิดโตขึ้นทันทีเนี่ย รู้ไหมสัตว์ประเภทไหนผุดโตขึ้นทันทีพวกอบายศาสตร์พวกสัตว์นรกอ่ะแล้วก็พวกเทวดาแล้วก็มนุษย์ต้นกับในกลุ่มเหล่านี้ถามว่าในขณะที่จิตดวงแรกคือปฏิสนธิจิตนั้นนะ่ะในขณะปฏิสนธิจิตตั้งขึ้นอุปาทาิติยังไม่เข้าถึงพังค้ายังไม่ดับไปเนี่ยนะอย่างนั้นเรียกว่าสภเสีถ้ามาถึงขณะที่สอง คือปฐะถมผวังแปลว่าผวังดวงแรกแล้วอย่างนั้นเรียกว่าพูดอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดโดยอิริยาบถใดก็ตามตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่นจากอิริยาบถนั้นตราบนั้นชื่อว่าสัมภเวสีอย่างยกตัวอย่างเช่นประเภทที่เกิดผุดโตขึ้นทันทีเหมือนกันพอเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มเทวดาทั้งหลายนีย่ก็จะยืนหรือนั่งหรือนอน ถ้ายังไม่ได้ขยับขยเยินอียาบทยังอยู่อียาบทนั้นอยู่เรียกว่าสัมบเวสีถ้าเริ่มก้าวเปลี่ยนอียาบทใหม่ไปเป็นพูดแล้วพระมาณได้ความรู้ใหม่เนี่ตังเกตได้ไหมตรงนี้เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเราสาัตว์ที่เกิดแล้วเนี่ยคือเกิดแล้วสําเร็จแล้วชื่อว่าพูดทําไมเกิดแล้วสําเร็จแล้วชื่อว่าพูดถ้าขีนาะศบเราใดผู้เป็นอริยเจ้าเหล่านั้นนั่นแหละนับว่าจากไม่เกิดอีกคําว่าพูดนี้เป็นชื่อของพระละหันเกิดแล้วใช่ไหม พูดนั้นนะอันนี้หมายถึงสูงสุดผ้าละหันนะครัว่าพูดท่านผ้าระหันเกิดแล้วใช่ไหมแล้วจะไปเกิดอีกไหมไม่ไปเกิดอีกอย่างนี้เขาเรียกท่านเรียกว่าพูดสัตว์เราใดกําลังสแสวงหาการเกิดนี่ในยะที่โยมคุณโยมถามเมืเ่อกี้ใช่ไหมที่กําลังสแสวงหาพบสแสวงหาที่เกิดสแสวงหาขันทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีเป็นชื่อของใครเป็นชื่อของปุตุชนและเศรษาบุคคลนี่ก็ชัดเจนนะทีนี้ถามว่าทําไมจึงเรียกว่ากลุ่มเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็น สัมภเวสีเพราะยังไม่สามารถที่จะละสังโยชน์คือเครื่องผูกได้ยอมลาสังโยชน์ได้ยังทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์มานาสังโยชน์หมดเลยเนี่ยการมราค้าสังโยชน์เพราะว่าราค้าสังโยชน์ปฏิค้าสังโยชน์หมดเลยเอ๊มีมีทิฏฐิสังโยชน์ไหมเลยมีเนี่ทีนะมิถะสังโยชน์มีไหมมีไม่มีนะเอ๊ะถ้างั้นเราก็เวลาฟังว่าทำก็นอนได้หลับได้ เอ๊ถ้าเราเนาะฟังทำจิตใจหดหู่ท้อถอยอย่างนี้ก็ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นเครื่องผูกแต่เป็นอะไรรู้ไหมเป็นกินเลสเป็นกินเลส <c oughs> ที่สุดจริงๆก็ไปมรรคผลไม่ได้อยู่ดีนั่นเลยเนี่ยที่จริงที่สุดจริงๆก็บรรลุธรรมไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อลไรหรอต้องการให้คลายซะทีนี้บทว่าทิฏยาได้แก่เพื่อดํารงอยู่นะ <c oughs> ถามว่าในบรรดาสี่อย่างนั้นเนะ่ย กัวลิงกาาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารอาหารเหล่านั้นเพื่อดํารงอยู่ของสัตว์ในภพสามคือในการมาพบรูปภพและในอรูปภพถ้าไม่มีอาหาร4อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็ดํารงอยู่ไม่ได้มีชีวิตเป็นอยู่ไม่ได้แล้วก็ดําเนินไปตามภพต่างๆไม่ได้ขอบคุณมไหมหน่าขอบคุณอาหาร4ี่อย่างไหมเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าน่าขอบคุณหรือไม่อานุหายะเนี่ยนะ ได้แก่เพื่ออนุเคราะห์คือเพื่ออุปการะฉะนั้นอาหาร4อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์เพื่ออุปการะให้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนั้นเป็นไปใน31มบภพถ้าไม่มีอาหาร4อย่างนี้คอยอุปการะคอยอนุเคราะห์คอยค้ำจุนให้เป็นไปแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจเอาอย่างนี้ กวลิงกราหานเนี่ยสัตว์ไม่สัตว์โลกไม่มีกวลิงกราหารเนี่ยไหมเฉพาะในมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีอาหารเหล่านี้ย่งเลยนั่งฟังว่าทำก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวจะไปศึกษารายละเอียดนยีทีนี้ทิฏฐิยาเพื่อจารงอยู่เพื่อให้ไม่ให้ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแกสัตว์นั้นนั้นขาดตอนไปโดยไม่สามารถติดต่อกันได้ทำในที่นั้นคือเพื่อไม่ให้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันนั้นะเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะขาดตอนฉะนั้นตัวอาหารเนี่ยเป็นตัวคอยเสริม ใชเหมือนรถเนะี่ยเวลาวิ่งวิ่งไปแล้วน้ํามันหมดก็หยอดน้ํามันหรือเกิดว่าสิ่งตัวใดตัวหนึ่งมันขาดมันผูมันพังไปก็แก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมเนี่ยอาหารก็เหมือนกันนั่นเลยถ้าพูดในกล่มตรงนี้ถ้าศึกษาเพียงแค่นี้นะมีสัมมาทิฏฐิเพียงแค่นี้ก็บอกว่าโอ้อาหารนี่น่าขอบคุณอนุกหายะเพื่ออนุเคราะห์ได้แก่เพื่อให้ทําที่ยังไม่เกิดนั้นะเกิดขึ้นนะอันนั้นก็ในยะเดียวกันนะั่นเองต่อไปไปดูกันว่าลิงกาลาหารเนี่ยนะ อาหารที่เป็นคำๆนี่นเป็นชื่อของโอชะมีข้าวสุกและขนมสดเป็นต้นเป็นที่ตั้งนะโอราลิโกวาสุคุมโมวาความว่าอาหารชื่อว่าโอรานเพราะเป็นสิ่งที่หยาบโดยวัตถุชื่อว่าสุขุมมาเพาเป็นที่ละเอียดโดยวัตถุอาหารเนี่ยจะหยาบหรือไม่หยาบนั้นดูวัตถุจะหยาบหรือละเอียดเนี่ยดูที่วัตถุของอาหารว่าโดยสภาวะนี่กาวลิงการาาหารชื่อว่าเป็นของละเอียดทีเดียวเพราะเป็นของนับเนื่องในสุขุมมะรูก มหาภูทรูปรูปหยาบอุปาทายรูปนี่รูปอาศัยในอุปาทายรูปนั้นก็มีแยกเป็นโอลาลิกรูปกับสุขุมมารูปฉะนั้นสุขุมมารูปนั้นก็แปลว่ารูปละเอียดฉะนั้นอาหารเป็นสุขุมมารูปจึงกลายเป็นรูปละเอียดแต่ทว่าโดยสภาวะของเขาเขาละเอียดจริงๆเพราะเอาตัวโอชานี่โอชาเป็นที่แปดใช่ไหมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาโอชาตัวนั้นน่าจะเป็นชื่อของอาหารถ้าถ้ามองในกลุ่มของ ปัจจุบันก็คือในกลุ่มของวิตามินในยามีโอชาเพราะบางคนจะอยู่ได้เพราะยาที่นั่งอยู่นี้ก็ เ, เห็นชัดๆอยู่สองแล้ต้องเอายาหยอดตลอดจะไม่ต้องกินยาตลอดี่อย่างนี้คือกลุ่มของอาหารหยาบหรือละเอียดโดยวัตถุ ก, ก็ต้องรู้โดยอุปา t h ย, ยรูปความจริงอาหารของนกยูงชื่อว่าเป็นของละเอียดเพราะเปรียบกับอาหารของจระเข้คือจระเข้เนี่ยมันคบก้อนหินเข้าไปแล้วก็ก้อนหินเหล่านั้นก็ตกถึงท้องของจระเข้นั้นก็ย่อยหมดละลายไป ฉะนั้นลักษณะของอาหารของจระเข้ละเอียดกว่าอาหารของนกอยู่ พวกนกยุงจิกกินสัตว์มีชีวิตเช่น ง, งูและแมลงป่องเป็นต้นแต่อาหารของพวกหมาในชื่อว่าเป็นของละเอียดเพราะเปรียบกับอาหารของนกยูงถามว่า2กลุ่มเนี่ก็ต้องไปพิจารณาการระหว่างหมาในกับ น, นกยุงเนี่ยอาหารของใครละเอียดกว่ากันท่านละเอียดจริงๆนะพระท่านอรถก า, าจารย์เนี่ยนะต้องการให้เราทราบในเรื่องของอาหารจริงๆว่าเป็นคุณให้เราตรึกพิจารณาตามไปในเรื่องของอาหารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงวงางั้นเนย หมาในเหล่าใดแทะเขาและกระดูกของสัตว์ที่ทิ้งไว้ตั้ง3มปีก็ได้ก็เขาแล้วก็กระดูกสัตว์เหล่านั้นพอแตะเปียกน้ำลายของมันเท่านั้นก็ยุ่ยเหมือนกันกับเง่ามันเราไม่เคยรู้เลยนะว่าหมาในเนี่ยน้ำลายของเขาเนี่ยมีอนุภาพขนาดนั้นขนาดเขาเนี่ยขนาดเขาของสัตว์หรือกระดูกของสัตว์เนี่ยเพียงถูกน้ำลายของหมาในเท่านั้นก็ย่อยละเอียดแล้ว อาหารของพวกช้างเนี่ยชื่อว่าเป็นของละเอียดเมื่อเปรียบกันกับอาหารของหมาในนั้นจะบอกว่าขนาดหมาในละเอียดแล้วช้างยังละเอียดกว่าเพราะช้างกินกินหญ้าใช่ไหมพวกมันกินกิ่งไม้นานาชนิดนี่ถ้าไปพิจารณาเปรียบเทียบตามลำดับบอกอาหารของสัตว์ทั้งหๆเช่นโคลานแล้วก็ลามาดแล้วก็มะลึกคะนี่เนี่ยเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเป็นของละเอียดกว่าอาหารของช้างนี่ตัวลายละเอียดก็ต้องละเอียดกว่ากันอีกใช่ไหมกลุ่มของอาหารของพวกโคลานพวกมันพากันกินใบไม้นานา ชนิดเป็นต้นที่ไม่แข็งไม่มีแก่นอาหารของพวกโคชื่อว่าเป็นของละเอียดแล้วนีพวกโคลานเป็นต้นละเอียดไม่บวกละเอียดพวกมันกินหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งอาหารของกระต่ายเป็นอาหารละเอียดของโคเหล่านั้นคือถ้าเปรียบเทียบกับพวกโคลานทั้งหลายไปเปรียบเทียบกับเนื้อทั้งหลายเนี่ยไปเปรียบเทียบกันกับพวกกระต่ายกระต่ายก็อาหารก็ละเอียดกว่าอาหารของพวกนกล่ะละเอียดก็อาหารของพวกกระต่ายพวกกลุ่มของนกยิ่งละเอียดใหญ่ถ้าไปเทียบกับพวกกระต่ายหรือถ้าไปพิจารณาของอาหาร อาหารของชาวชายแดนละเอียดกว่าอาหารของพวกนกถึงนกจะจัดว่าละเอียดขนาดไหนแต่ก็ไปพิจารณาถึงอาหารของมนุษย์พวกปัจจันตชนบทหรือชายแดนนั้นก็ยังละเอียดกว่าอาหารของกลุ่มกระต่ายของนกของนกทีนี้อาหารของคนชายแดนอาหารของนายอำเภออาหารของเจ้าเมืองทั้งหลายอาหารของผู้นำหมู่บ้านเป็นต้นทั้งหลายละเอียดกว่าอาหารของชาวชายแดนนะนะพิจารณาอย่างนี้ก็แยกละเอียดไป นี่อาหารของพระราชาและมหาอามาตย์ของพระราชาละเอียดกว่าอาหารของนายอำเภอและอาหารของเจ้าเมืองทีนี้กยายอาหารของพระเจ้ากระจกระักภพก็ยังละเอียดกว่าอาหารของพระราชาเหล่านั้นอีก ถ้าไปพิจารณาถึงอาหารของพระเจ้าจักรพรรดนี่พระเจ้าจักรพรรดนี่มีบุญมากเห็นไหมไปที่ไหนมีจักแก้วจะไปจักรวาลไหนก็ได้ในปุบผ่าวิธิหะทวีปอุตรากุรุทวีปอัปราโคโยานาทวีปแล้วก็มาปากหลักอยู่ในชมบูทวีปจะขึ้นไปในสวรรค์ยังไงก็ได้เพราะอํานาจของจักแก้วนี่แต่ที่สุดจริงๆอาหารเขาละเอียดไหมละเอียดกว่าพระราชา ละเอียดกว่าพวกมหามาแต่ถ้าบอกว่าอาหารของภูมิมัฏฐเทวดาละเอียดกว่ากายอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิเทวดาละเอียดกว่าใช่ไหมเทวดาที่อยู่ตามภูมิต่างๆต้นไม้ต่างๆเป็นต้นก็ยังละเอียดกว่าแม้จะพูดไปแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิน่ะเทวดาที่อยู่ตามสมภูมิต้นไม้ยังได้อาหารดีกว่าใช่ไหมบุญก็ประณีตกว่าละเอียดกว่าตามลําดับขึ้นไปว่าในพวกภูมิมัถฐเทวดาเอ้ยพวก จาตุ ม, มหาลาชิกาตาวติงสายามาดุิตานิมมานัละที่ปรานิมิสวสวัสดิ อาหารของเขาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ละเอียดกว่ากลุ่มของเทวดาชั้นต่ํากว่านี้กลุ่มในลักษณะนฉะนั้นอาหารของเทวดาเหล่านั้นเป็นอาหารละเอียดทั้งนั้นในวัตถุหยาบนี้โอชาก็น้อยมีพลังต่ําถามว่าอาหารที่มีเป็นวัตถุหยาบหยาเนี่ยเช่นในก้อนหินเป็นต้นเนี่ยวัตถุหยาบใช่ไหมโอชาคือวิตามิน น, ะน้อยให้พลังงานก็ต่ําในวัตถุละเอียดโอชามีพลังสูงในอาหารที่ยิ่งละเอียดก็บอกว่า อาหารของทิพย์เนี่ยอาหารของเทวดาทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดตระูก็ดีหรือว่าไปบินทบาทอะไรต่งตางๆที่ไหนเทวดาต้องแอบมาก็ทำบุญกันอยู่เลยเอาอาหารทิพย์ของทิพย์มาโรยให้คนมีบุญทั้งหลายถ้ายัางพวกเรากินก็ตายเลยทำไมถึงตายให้พลังงานสูงเกินไปอ่ะตายนะให้พลังงานสูงเกินไปเนี่ยตายนะอย่าลืมนะลองไปกินวิตามินอย่างเดียวดีอ่ะ อยู่ไวไ้ไม่ไหวก็ตายลองไปลองดูได้ของอย่างนี้ลองให้วิตามินอย่างเดียวเดือนนี้หมอเขาทำได้กลัน่นแต่วิตามินเ น, นเอาทีฉีดเข้าเต็มที่เลยฉีดเข้ากระแสเขหินเนี่ยตายไม่ยอมกันพี่ตายเลยนะอย่างนี้ก็บอกว่าร่างกายสู้ไม่ไหวแต่พระพุทธเจ้านี่โครงสร้างกรรมมาดีเหลือเกินเลยถ้าไปพิจารณาตรงนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมสุกรละมาทวะ ทำไมเหมาะแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นอาหารโอชาทิพเทวดามโปรยลงด้วยเหมาะแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นไม่ควรเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเอะได้ศึกษาพุทธประวัติกันไว้เนี่ยถ้าพิจารณาตรงนี้ก็ได้เข้าใจว่าโอ้จริงๆเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาหารที่มีพลังงานสูงๆเนี่ยมีวิตามินมากๆก็เหมาะแก่ ห ม, ม, มาะแกมหาบุรุษบุคคลที่ทำกรรมมากุศลกรรมมาเป็นอย่างดีระดับพระพุทธเจ้าโครงสร้างอย่างนั้นกรรมวิบาศของพระองค์จึงสามารถรองรับแม้แต่อาหารของเทวดาได้ถ้าอย่างเรากินอาหารของเทวดาไม่ดีเหมือนจระเข้เราจะทำเนยใสยเนยข้นน้ามันน้ำพึ่งน้ำอ้อยไปให้จระเข้ก็กินจระเข้กินไม่ได้ ไม่ชอบจริงอย่างนั้นผู้ใดดื่มข้าวยาคูตั้งเต็มบาคู่เดียวนั้นก็หิวอยากจะเคี้ยวกินของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเองก็ว่าคือข้าวต้มที่ทําเป็นข้าวยาโคนเนี่ยนะถามว่าขนาดเต็มบาดนี่นะดื่มก็ไปครู่เดียวเดยได้หิวอีกแล้วส่วนผู้ใดดื่มเนยใสแม้เพียงฝายมือเดียวก็ไม่อยากกินคือไม่หิวตลอดทั้งวันเนยแข็งๆเนะี่ยลองดูทีลองกินก็ไปดูได้อิ่มทั้งวันถ้าใครไปอินเดียแล้ว ยิมจริงๆเลยเนี่ยนิดเดียวเยิมเลยบางทีชิ้นไม่ต้องมากอ่ตัดแค่ น, นี้เนยใสเนี่ยไอเนยแข็งๆเนี่ยโอ้ยยมเนียงทำไมวะโอ้ให้ให้ให้ให้พลังให้อาหารเนมันต้องม่ทนจริงๆเลในจํานวนวัตถุและโอชาสองอย่างนั้นน่ยวัตถุบรรเทาความกะวนกวายนียคือบรรทุบรรเทากวนกวายคือความหิวได้แต่ไม่อาจจะรักษาชีวิตไว้ได้อยกตัวอย่างชเช่นถ้าเราจะกินแต่ของหยาบๆเข้าไปในสรีระในร่างกายเนี่ย เมื่อกินเข้าไปในสรีระในร่างกายแต่วัตถุสิ่งของนั้นไม่มีวิตามินบรรเทาได้จริงไม่ให้หิวจริงแต่ชีวิตอยู่ได้ไหมชีวิตก็อยู่ไม่ได้เพราะในนั้นไม่มีอาหารเลยไม่มีโอชารูปเลยหรือไม่มีโอชาที่จะเหมาะสมแก่การที่จะให้ชีวิตของ สัตว์นั้นๆดํารงอยู่ได้เลยเนี่ยอยู่ไม่ได้คือจะรักษาชีวิตไม่ได้ส่วนโอชารักษาชีวิตไว้ได้แต่ไม่อาจบรรเทาความหิวเสียได้เขาบอกว่าในกลุ่มของพวกมนุษย์อวกาศทั้งหลายเขาจะมีอาหารละเอียดใช่ไหมแต่จริงๆพวกนี้ก็หิวนะนะท้องหิวจะต้องหาอะไรน่ยใส่มันแน่น น, น, นะถ้าอย่างนั้นน่ยเราลองไป ให้น้ำเกลื อ, อยังหิวไหมอยู่ได้ไหเอาให้แต่น้ำเกลืออย่างเดียวได้สิบกว่าวันเลยเลยแสดงว่ามีคุณค่าวิตามินสูงถ้างั้นถ้างั้นให้ให้วิตามินสูงแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ในที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อให้ไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยไป เ, เกี่ยวกันในเรื่องของวิตามินอย่างเดียวจะไม่มีพวกไอ้วัตถุที่จะทําให้มันเหมือนอย่างนี้ว่าเออถ้าถ้าพูดอย่างนี้จะชัดกว่าเกี่ยวกันเอา เ, อเอกาวาลิงกราอาหารเนี่ยเวลาหยดเข้าไปในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไปเพิ่มอะไร